6. เสนาสนะขันทกา 1. ะ 1. หนึ่งปฐมภานวานวิหารานุชานณะว่าด้วยทรงอนุญาตวิหาร เรื่องเศรษฐีชาวกรุงราชครึกขออนุญาตสร้างวิหารสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรวุวรณสถานที่ให้เยื่อกระแตเขตกรุงราชครึกครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงบัญญัติยังไม่ได้ทรงอนุญาตเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลายและภิกษุเหล่านั้นอยู่ในที่นั้นๆคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟงัง เวลาเช้าตรู่ภิกษุเหล่านั้นเดินออกมาจากที่นั้นนั้นคือจากป่าจากโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางทอดสายตาลงต่ำมีการก้าวไปการถอยหลังการมองดูการเหลียวดู การคูแขนการเหยียดแขนหน้าเลื่อมใสเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถครั้งนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชครึกไปสวนแต่เช้าตรู่ได้แลเห็นภิกษุเหล่านั้นเดินออกจากที่นั้นๆคือ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 เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถครั้นเห็นแล้วเศรษฐีชาวกรุงราชครืนั้นก็มีจิตเลื่อมใสลำดับนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชครืได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นครั้นแล้วจึงได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าถ้ากระผมจะให้สร้างวิหาร พระคุณเจ้าจะอยู่ในวิหารของกระผมหรือพิกษุทั้งหลายตอบว่าขหะบดีพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงอนุญาตวิหารเศรษฐีกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้าจงทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วแจ้งให้กระผมทราบพิกษุเหล่านั้น รับคําของเศรษฐีชาวกรุงราชครึแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคนั่งณนาที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าเศรษฐีชาวกรุงราชครึต้องการจะให้สร้างวิหารถวายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าค่า